การปฏิบัติกรรมาฐานเข้มก็าผ่านไปแล้วนะกว่าสองอาทิตย์นะใครที่มาตั้งแต่วันแรกก็เท่ากับว่าได้เจริญสติเป็นเวลาสิบห้าสิบหวันเข้าไปแล้วถึงแม้ ว, ว่ายังจะเหลือเวลาอีก เกือบเดือนนะแต่ว่าก็อย่าไปคิดถึงวันเวลาที่เหลือให้มากนักนะอีกกี่วันถึงจะหมดคอร์สก็ช่างมันนะอย่าไปสดใจไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ไม่ไปต้องนับถอยหลังด้วย ยามอยู่กับวันนี้ชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดนะยิ่งเรานึกถึงวันกลับมากเท่าไหร่หรือนึกถึงวันที่จบคอร์สมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอนะาการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสําคัญมากเลยนะ มันจะเหลือเวลาอีกอกีก่กกวันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกที่จจ่สายใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคนที่มาใหม่ๆวันแรกก็ จ, จะรู้สึกตื่นเต้น หรือว่าท้าทายแต่ว่าพอทําไปทําไปผ่านไปหลายวันหน้าก็จะเริ่มบึ้งมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเครียดก็จะมาะรังควาลอยบ่อยๆให้รู้จักยิ้มนะยิ้มกับการปฏิบัติตื่นเช้าขึ้นมายิ้มให้กับตัวเอง เอาเป็นแค่เราฉีกยิ้มให้กับตัวเองนี่มันก็ช่วยทําให้จิตใจผ่อนคลายในแต่เวลาที่เราจะกลับมาสู่การปฏิบัติหลงจากที่เดินจงกรมมาเป็นสร้างจังหวะหรือจากสร้างจังหวะเป็นเรียบบนมาเป็นการเดินจงกรมก็ลองยิ้มก่อนที่เราจะเริ่มยกมือก่อนที่เราจะเริ่มก้าวเดินบางทีเราไม่สังเกตหรอกว่าหน้าตาเราบูดพึ่ง แล้วหน้าตาบวบึ้งหน้าใจมันก็บึ้งตามไปด้วยห่อเหี่ยวตามไปด้วยแต่ว่าทันทีที่เราฉีกยิ้มให้กับตัวเองนะให้ความบึ้งความเครียดมันก็จะค่อยๆทุเลาลงแม้แตยิ้มที่ใบหน้านะแต่มันก็ส่งผลถึงจิตใจนะในทางตรงข้ามถ้าเราทําหน้าบึ้งเดี๋ยวใจเราก็จะค่อยก็ค่อยเครียดตามไปด้วย รากายกระจายมาสัมพันธ์กันมากเพราะฉะนั้นก็เวลาปฏิบัติทำกายของเราให้พร้อมนะตั้งแต่สีหน้าใบหน้ารวมทั้งร่างกายส่วนอื่นๆก็ให้คลายด้วยนะบางทีเราไม่สังเกตนะ ว, ว่าพอเราเริ่มเดินหรือเดินไปสักพักหนึ่งนี่มันก็จะเริ่มเกรง็งเริ่มเครียดขึ้นมา มันก็จะสะสมมากเข้ามากเข้าทําให้รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยและยิ่งกว่า น, นั้นมันทําให้ใจเราเครียดด้วยพอใจเครียดสะสมแล้วนี่บางทีเพียงแค่ยกมือเริ่มยกมือท่านั้นแหละมันก็เครียดเลยเราธรมะเคยเป็นมาแล้วนะพอปฏิบัติไปได้สักสองสามอาทิตย์นึงเนื่องจากวางใจไม่ถูกนะ คิดจะเอาคิดจะคุมความคิดแล้วก็คอยจะเพ่งดูคอยเพ่งอวัยวะเพื่อให้จิตมันนิ่งแล้วคอยตะบกความคิดมันก็ค่อยๆเครียดขึ้นไปเรื่อยๆเครียดขึ้นไปเรื่อยๆสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่งเพียงแค่ยกมือสร้างจังหวะแค่ ครั้งสองครั้งเท่านั้นนะมันก็เครียดปึงขึ้นมาเลยนะจนปฏิบัติต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิรยบทมาเป็นเดนินเดินเป็นหลักเลยกว่าจะกลับมาสร้างจังหวะได้ก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์หลังจากที่แก้อารมณ์ของตัวเองได้คือวางจิตปองใจให้ผ่อนคลายอันนี้พอเราทํากายของเราให้ผ่อนคลาย ใบหน้าย้มยิ้มนะก็มาสู่การวางใจหรือการทําใจให้ถูกนะการปฏิบัติีิสารสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะนะมันอยู่ที่การวางใจหรือการทําใจเป็นสําคัญ หลักการที่สำคัญนะของการปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนน ะ, แ, ะแรกคือว่าเห็นนะอยากเข้าไปเป็นเห็นนี่ก็เป็นนี่มันต่างกันน ะ, ะส่วนใหญ่นี่แยกไม่ออกทํทๆไปมันก็เข้าไปในความที่เข้าไปในอารมณ์ โดยเพราะความเครียดกนะ็ไปในความเครียดการจะเห็นความเครียดเมื่อหลายปีก่อนก็มีนักศึกษาคนหนึ่งนะเธอมาปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ชักสามสี่วันก็มาปรึกษาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดเหลือเกิน หลวงพ่อท่านไม่ตอบแต่ถามย้อนกลับไปว่าถามไม่ถูกนะถามใหม่แกก็คิดสักพักแล้วก็อถามใหม่แล้วว่าหลวงพ่อดูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินมันต่างกันไหมระหว่างดูเครียดเหลือเกินกับดูเห็นความเครียดเยอะเหลือเกินส่วนใหญ่นีนะ่เป็นผู้เครียดไปละ ไม่ได้เห็นความเครียดที่เกิดขึ้นบางใยออกนะระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยเห็นความเครียดนะไม่ใช่เป็นผู้เครียดการปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าจะหวังแต่ความสงบอย่างเดียวบางทีความเครียดก็เกิดขึ้นได้อ้ามีนเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าลอยเห็นมันเห็นนี่ มันจะทำให้เราผ่านไปได้เร็วนะแต่ถ้าเป็นนี่มันติดเลยนะมันติดตังเลยถ้าเห็นนี่มันผ่านไปได้ง่ายแต่พอเป็นนี่มันติดเลยนะเหมือนกับว่าจมปรักนะระหว่างการเห็นกองไฟกับการเข้าไปในกองไฟอยู่กลางกองไฟนี่มันต่างกันมากเลยนะเห็นความกลัวกับเป็นผู้กลัวนี่ต่างกันเยอะเลย เห็นความกลัวก็มันก็ว่าเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าแตเป็นผู้โปันี่มันก็คือเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยถูกไฟเผาความโกรธความเครียดมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับนักปฏิบัติปฏิคฆะความขัดใจสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนจากคราวนี้ถ้าเราเห็นไม่เข้าไปเป็นนี่มันก็จะทําให้หลุด หลุดได้เร็วไม่ไปคล้องแวะกับมันเป็นนี่คือเขาไปเขาไปคล้องแวะกับมันแล้วเปรียบไปก็เหมือนกับว่าเรานั่งรถทัวร์นะนั่งรถทัวร์เราผ่านสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นย่านชุมชนภูเขาทะเลผ่านอย่างเดียวเลยนะไม่แวะอย่ถ้านั่งรถ ส่วนตัวนี่มันแวะต่พึตะพื้นเลยนะเดี๋ยวเจอชายหาดก็แวะลงไปรับลมเดี๋ยวผ่านห้างสปปรรพสินค้าก็ลงไปช้อปปิ้งนักปฏิบัติจำนวนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคือคล่องแวะนะกับอารวมต่างๆหรือผัดสากต่างๆที่เกิดขึ้น พอมีเสียงพอได้ยินเสียงนะมันก็ไปคล้องแวะกับเสียงนั้นเลยถ้าเป็นเสียงที่เพราะก็เคลิ้มลหลงไหลในเสียงนั้นแต่ถ้าเป็นเสียงรถยนต์เสียงคนพูดคุยก็ก็ไปผักใสในคล้องแวะไม่ว่าจะเข้าไปเสพชื่นชมหรือว่าผักใสนี่มันไม่ถูกทั้งนั้นนะ อย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นละนี่มันเข้าไปเป็นเลยเป็นผู้ยินดีในเสียงนั้นเป็นผู้ชังเสียงที่ได้ยินนั้นเห็นอย่างเดียวนะเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเห็นความชั่งที่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปได้เห็นความชอบที่เกิดขึ้นในเสียงนั้นเห็นแล้วก็ผ่านไปได้ แต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่นี่เป็นผู้ชอบเป็นผู้ชังนี่ก็มันก็ขาดสติเนี่นเห็นกับเป็นเนี่ยต้องแยกให้ถูกนะหลักการปฏิบัติการเจริญสติข้อแรกคือว่าเห็นอย่าก็ไปเป็นซึ่งมันก็จะโยงไปอยู่ข้อที่สองคือว่าถ้าเห็นถูกเนี่ยเห็นเป็นนี่มันก็จะใจก็จะเป็นกลางกับทุกสิ่ง นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกก็เช่นเสียงหรือว่าสิ่งที่มากระทบกายอาจจะหมายถึงอาหารก็ได้อาจจะหมายถึงแดดที่มากระทบกายส่วนอารมณ์ภายในนะก็หมายถึงความพอใจความดี ความหงุดหงิดความชังความโกรธเราต้องวางใจเป็นกลางนะกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราวางใจเป็นกลางเนี่ยอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเสียงที่ดังถ้าเราวางใจเป็นกลางกับเสียงนั้ น, น, นก็ไม่ทุกนะจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์จะเป็นเสียงพูดคุย แต่ที่ทุกข์ก็เพราะใจเนี่ยมันไม่เป็นกลางกับเสียงนั้นใจมันมีความชังมีความรู้สึกผักใสอยากจะให้เสียงนั้นสงบนระาปฏิบัติจำนวนมา ก, กวางใจเป็นกลางกับอารมณ์ภายนอกไม่ค่อยได้ได้ยินเสียงพูดคุยกันนะข้างนอกก็แทนที่จะวางใจเป็นกลางก็เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจ แต่สมมุติว่าเกิดความหงุดหงิดแล้วเนี่ยนะเห็นความหงุดหงิดนั้นอ่ามันก็ยังดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าไปเป็นเลยเป็นผู้หงุดหงิดทีแรกมันวางใจไม่เป็นกลางก่อนคือมีความชังไม่พอใจพอความไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอารมณ์ภายในเกิดขึ้นแล้วก็แทนที่จะเห็นมันก็เข้าไปเป็นเลยหรือว่าพออารมณ์ภายในเกิดขึ้น มีความหงุนงิดเห็นมันก็วางใจเป็นกลางไม่ไปข้องแวะกับมันไม่ไปกดข่มมันดูมันเฉเฉยมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้อาการวางใจเป็นกลางนี่สำคัญมากเลยแต่สวนใหการปฏิบัติีีวางใจเป็นกลางได้ยากเพราะว่าตั้งธงเอาไว้แล้วว่าฉันต้องสงบ นะปรารถนาความสงบนันพอมีความไม่สงบเกิดขึ้นไม่ว่าความไม่สงบภายนอกเค้นเสียงดังเสียงพูดคุยซุบซิบนินทากันก็จะไม่พอใจเพราะว่ามันไม่ตรงกับธงที่ตั้งเอาไว้หรือว่าพอเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมานะก็จะไม่ชอบความฟุ้งซ่านนั้น ก็จะพยายามผลักสายกดคมนะผลก็คือยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่ในทนองเดียวกันยิ่งผลักสายเสียงที่ได้ยินยิ่งผลักมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งรังควาเรามากขึ้นเพราะทันทีที่เราไม่ชอบมันทันทีที่เราผลักสายมันก็เท่ากับว่าเราเปิดโอกาสให้มันมารังควาเรานักขึ้นนะ ถ้าระวังใจเป็นกลางมันก็ทำอะไรแล้วไม่ได้แต่พ่อไม่วังใจเป็นกลางเพราะความตั้งใจที่จะไปกดข่มมันผลักใสมันกำจัดมัน <Yeah. S 1> ก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้ยิ่งจดจ่อใส่ใจมันมันหนักเข้าไปใหญ่ <Yeah. S 1> เวลาเราอยากเาเราเกลียดเวลาเราชังไม่ชอบแล้วก็ตามเนี่ยแม้ใจอยากจะผลักใสแต่ว่า ยิ่งผักสายใจก็ยิ่งจดจอ่อเสียงที่ดังใจไม่ชอบอยากจะพักมันไปแต่มก็ยิ่งจดจ่อหนักเข้าไปใหญ่ทําให้เสียงนั้นดังขึ้นในความรู้สึก ข, ของเราบางทีเขาพูดเบาๆนะแต่พอเราได้ยินใจแล้วก็จ่อเลยจ่อที่เสียงนั้นแล้วก็วยัเสือมันดังขึ้นเรื่อยๆในความิดคือปฏิกขาก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอาจจะลืมตัวเพราะว่าความกดข้อมำลังนะ เดินไปว่าเขาว่าทำไมนะไม่หยุดพูดเสีทีบางคนอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าใจมันบน่นทาไมไม่หยุดพูดเสทีทีทไมไม่หยุดคุยกันเสีทีให้ตรงนี้เนี่ยนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เห็นนะมันก็ข้าไปเป็นเลยนะไปเป็นผู้หงุดหงิดแทนที่จะเห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจ ในการวางใจเป็นกลางๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านใช้คําว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะคาว่ารู้เฉยๆนี่นมันเป็นคําที่คลุมนะที่พูดมาทั้งหมดเลยก็คือเห็นรู้ก็คือว่าเห็นนะไม่ค่อยเป็นเป็นรู้เฉยๆคือไม่ผักใสแล้วก็ไม่ขวายคว้ายาึดติดจะเป็นอารมณ์ที่พอใจ อารมณ์พี่ไม่น่าพอใจก็แล้วแต่ก็รู้เฉยๆไม่ไปทําอะไรกับมันก็เหมือนกับ น, นั่งรถทัวร์มองไปนอกนั่มองไปที่หน้าต่างเห็นอะไรต่ออะไรก็ผ่านอย่างเดียวจะจะเป็นกองขยะหรือว่าจะเป็นสวนดอกไม้ชายหาดที่งดงามก็ผ่านอย่างเดียวนะไม่ลงไม่ไปคล้องแล้วหรือเหมือนกับเราดู สายน้ำที่ไหลผ่านหน้าเรามันจะเป็นมันจะมีกองกอสวะผ่านมาเน่าลอยน้ำผ่านมาหรือว่าเรือที่สวยงามนะมีของกินมากับเรือเหล่านั้นนะก็ก็แค่เห็นมันเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป อันนี้เป็นหลักนะง่ายๆนะที่ที่เราต้องจับให้ได้ถ้าเราจับหลักได้การปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายการเห็นไม่ขอไปเป็นหรือว่าวางใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในซึ่งรวมถึงเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยความความคัน เราก็รู้วางใจเป็นกลางกับมันใหม่ๆก็ทํายากนะในการที่จะรู้เฉยๆใจเป็นกลางกับทุกอย่างจริงๆถ้ากว่ายังทําวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆยังไม่ได้เนี่ยลองลองรู้สึกเป็นบวกกับสิ่งนั้นดูก็ได้เสียงที่ดังคนที่กําลังพูดคุยกันนะหรือว่า อากาศที่ร้อนนะแล้วก็มองมาในแง่บวกดูว่าเออนะมาช่วยฝึกเรานะให้เราเข้มแข็งหรือว่าดีนะที่มันไม่ไม่ดังกว่านี้ดีนะที่มันไม่ร้อนกว่านี้เวลาเรารู้สึกเป็นบวกกับมันเนี่ยนะมันก็ทำให้เราไม่ทุกเพราะสิ่งนั้น วิธีนี้นี่อย่าว่าแต่ใช้รับมือกับเสียงที่ดังเลยนะแม้กระทั่งเวลาเกิดโรคภายแพ้เจ็บขึ้นนะพอมองมันเป็นบวกนี่ก็ทําให้อยู่กับมันได้บางคนเป็นมะเร็งนะเขาก็ทำใจให้เป็นบวกกับมะเร็งนะแหาเมตตาให้ก้อนมะเร็งคุยกับก้อนมะเร็งว่าอย่ารบกวนกันเลย เวลาเวลาจะนอนก็ล้องเพลงกล่อมมะเรงให้ให้หลับไปด้วยนะจะได้ไม่มาไม่มากวนกันกล่อมมะเรงเมื่อกล่อมลูกมีบางคนเป็นโรคสะเก็ดเงินนะปวดมากแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ยาเพราะเขาใช้เขาวางใจให้เป็นบวกกับให้โรคสะเก็ดเงินเวลาทำบุญก็ บอกกับส เ, เก็ตเงินว่านี่ถ้าเธอะจะไปก็เอาบุญกุศลใไปด้วยนะแต่ถ้าเธอะจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงมันอาจจะเล่นงานเธอได้เขาพูดกับส เ, เก็ตเงินแบบเนี้ยเขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ได้ใช้ยาค่ะยา ร, ระงับปวดเท่าไหร่เลยทั้งที่ปวดมากนะแต่ว่าอยู่กับมันได้เพราะว่าวังทาใจให้เป็นบวกกับมันนะ ก็สามารถจะอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างสงบสามารถจะอยู่กับความปวดอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยที่ใจไม่ทรมานทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายนะทุกทรมานเป็นเรื่องของใจคนที่เจอทุกขเวทนานีนะ้ถ้าหากว่ามองมันในแง่บวกใจก็ไม่ทุกขทรมาน หรือว่ามีโรคภัยแค่เจ็บรังควานนะแต่ว่ามองมันนะรู้สึกกับมันในทางบวกก็อยู่กับมันได้นะปวดแต่กายนะใจไม่ปวดบางคนโดนใช้แสงคนเอื้อ น, นี่แพ้จนกระทั่งอาจเจียนผมร่วงไม่ไหวแต่บางคนนะมีคนที่เป็นหัวหน้าพยาบาลต้องได้รับการใช้แสงใน ในในโดสในปริมาณที่สูงรวมทั้งเคมีบำบัดด้วยนะซึ่งคนส่วนใหญ่แพ้มากนะแต่เธอก็ไม่รู้สึกแพ้เท่าไหร่เลยแล้วนะคนก็แปลกใจว่าเธอทำได้อย่างไรมี ม, มีมียีนดีหรือเปล่านะถึงไม่แพ้เธอบอกไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าเธอทำใจว่าเวลาใช้แสงก็ นึกว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์เวลารับคเคมีบําบัดก็นึกว่ากําลังได้รับน้ําทิพย์เธอวางใจเป็นบวกนะกับสิ่งเหล่านี้พอใจเปิดรับสิ่งเหล่านี้ร่างกายก็เปิดรับด้วยคือไม่ต่อต้านแต่พอถ้าเกิดว่าใจมันต่อต้านนะยังไม่ทันฉายแสงเลยใจก็ต่อต้านและเพระกลัวพอได้รับ การใช้แสงเข้าไปก็แพ้ทันทีเลยเพราะว่าร่างกายมันไม่รับมันไม่ยอมรับร่างกายไม่ยอมรับก็เพราะว่าใจมันไม่ยอมรับตั้งแต่แรกเจอเคมีบำบัดมันก็แพ้เนงถ้าใจไม่รับนะใจต่อต้านนะร่างกายมันก็ต่อต้านตามไปด้วยแต่พอใจยอมรับร่างกายมันก็ต่อต้านน้อยลงมันก็รับได้มากขึ้น นี่เป็นตัวอย่างคนที่เจอสิ่งหนักๆนะัแต่พอน้อมใจให้เป็นบวกกับสิ่งเหล่านั้นนะความทุกข์ทรมาน ก, ก็น้อยลงนะสิ่งที่เขาเจอนี่ยมันเรียกว่าหนักหนากว่าที่เราเจอมากๆนะในการปฏิบัตนะิเพราะเราไม่ได้เจอถึงขนาดนั้นเราจะเจอแค่แดดพร้อนเสียงดังนะมแมลงรบกวนแต่ถ้าเกิดว่าใจเรายังวางใจเรายัง ไม่รู้จักอาวางให้เป็นเราก็จะยิ่งทุกข์ทรมานอาจะทุกข์ทรมานกว่าตัวอย่างคนที่พูดมาสิทั้งทั้งที่ไอ้ที่เราเจอนี่มันเบามากแต่พอใจมันต่อต้านแล้วเนี่ยนะไอ้สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราวันนี้นเราต้องวางใจนะพยายามวางใจเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้สิ่งที่มารบกวน อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในที่เป็นลบถ้ายัางวางใจเป็นกลางไม่ได้ก็วางใจให้ลองทําใจให้เป็นบวกดูแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยทําใจเป็นกลางยังไม่ได้เลยจะทําให้เป็นบวกได้อย่างไรก็จะใช้อุบายแลย้วก็แล้วก็ตามนะแต่ว่าอย่าให้ใจมันเป็นลบก็แล้วกันนี่ถ้าเกิดว่าเราวางใจเป็นกลางได้ในการที่จะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าภายนอกภายในมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมีความเครียดเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเพราะว่าใจมันเผลอไปต่อต้านแต่ว่าถึงแม้ความกลัวเกิดขึ้นแล้วความชังเกิดขึ้นแล้วนะก็ยังยังสามารถที่จะวางใจเป็นกลางหรือรับรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางได้รู้เฉยเฉยก็ได้ แม้ว่าตอนแรกจะพลาดไปตอนที่เกิดผัสสะตอนที่เกิดการกระทบขึ้นหูหนะูได้ยินเสียงนะหรือว่าร่างกายนะไปต้องกับแสงแดดหรือแมลงที่มารบ ก, กวนเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความชังขึ้นมาก็ยังมีโอกาสที่เราจะ วางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ภายในที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถ้าสติเราไวนะแม้แต่แม้แต่ตอนที่เจอหรือกระทบกับอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันก็จะสามารถจะเป็นกลางได้เร็วยุงกัดก็มันก็ให้มันมันก็กัดไปนะเจ็บก็จริงแต่ว่าใจก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์มันบิดมันว่อนนะก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจมัน งั้นถ้าเรารับมือกับอารมณ์ภายนอกได้ในไอการที่จะรับมือกับอารมณ์ภายในมันก็ทําได้ง่ายแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องจับหลังอีกข้อนึงให้ได้นะคือว่าไม่ส่งจิตออกนอกนะกลับมาตามดูรู้ทันใจข้างนในไอตอนที่ได้ยินเสียงดังเสียงพูดคุยหรือว่าแมลงบิน สังเกตรูร้แบบว่าใจเราไปอยู่ที่ไหนใจเรามันส่งออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้กลับมารู้ทันจิตใจตัวเองในขณะที่ใจบน่นบ่นพึมพัข้างในว่าเนี่ยทําไมเขาไม่หยุดพูดเสียทีทำไมเขาไม่หยุดคุยเสียทีทำไมมันร้อนเหลือเกินทําไมฝนไม่ตกทําไมลมไม่มาระหว่างที่บ่นอย่างนี้เนี่ย เคยกลับมาดูใจหรือเปล่าว่ามันกำลังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นทำไมไม่ถามไม่ถามใจตัวเองว่าถามใจตัวเองว่าเมื่อไหร่จะหยุดบน่นเสทีได้แต่ไปเพ่งหรือส่งจิตออกนอกแล้วก็บน่นพุ่มพวมว่าเมื่อไหร่จะหยุดพูดเสที ถ้าคนที่กลับมาดูใจเนี่ยเขาจะไม่บ่นอย่างนั้นแต่เขาจะถามใจตัวว่าทำไมไม่หยุดบ่นเสียทีถ้คนที่ส่งจิอออกนอกเนี่ยจะเพ่าแต่ถามว่าแต่บ่นว่าทำไมเขาไม่หยุดพูดเสียทีนี่เป็นวิสัยของคนที่ส่งจิตออกนอกแต่คนที่กลับมาดูใจนี่เขาจะถามไม่ใช่ถามอย่างนั้นเขาจะมาถามตัวว่าทาไม ถึงไม่หยุดบ่นสักทีทำไมถึงไม่วางใจเป็นกลางกับเสียงเหล่านี้สักทีเราเคยทานอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะหรือได้แต่เรียกร้องให้คนอื่นเขาหยุดส่งเสียงนะหยุดพูดหยุดรบกวนถ้าเกิดว่าเมื่อจะส่งเสียงนอกเ น, นี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะทุกข์ พราลืมที่จะมาเห็นอาการของใจที่มันเป็นลบต่อเสียงเหล่านั้นถ้ากลับมาดูใจนี่มันก็จะรู้ไอ้การรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยนั่นมันก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่พ่อไม่พ่อมวยแต่สรงจิตออกนอกนั่นแหละไม่กลับมาดูใจของตัวก็เลยถูกความทุกข์ นะความเครียดนะความหงุดหงิดความขัดใจนี่เล่นงานถ้ากลับมาดูใจนี่มันจะมีสตินะแล้วก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้มาเล่นงานจิตใจได้จะดึงจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นเห็นมันจะไม่ค่อไปเป็นถ้ากการกลับมาตามดูรู้ใจนี่เป็นหลักการสำคัญเลยนะของการปฏิบัติถ้าเรา มันมาตามดูรู้ใจของตัวแล้วก็รู้จักวางใจเป็นกลางต่อกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเพราะอารมณ์ภายในนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉยๆไม่ผักใสมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเห็นไม่ก็ไปเป็นได้หลักการปฏิบัติมันก็มีไม่กี่มีไม่กี่อย่างนะแต่ถ้าเราเป็นเน้น ถ้าเราจับลักไม่ได้เราก็จะไปไปไปเน้นที่รูปแบบหรือว่าไปพยายามไปเพ่งทำแรยสารพัดเพื่อที่จะควบคุมจิตให้มันดึกฟุง้งซ่านนะซึ่งก็ยิ่งเท่ากับทำให้ความเครียดนี้เพิ่มมากขึ้นนับปฏิบัต ขยันอย่างเดียวไม่พอนะต้องจับหลักให้ได้ด้วยนั่นถ้าจับหลักให้ได้นี่การปฏิบัติมันจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนก็เรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเนี่ยถ้าจับหลักวิชาที่เรียนไม่ได้เนี่ยการเรียนมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเพราะต้องอาศัยการท่องจําอย่างเดียวยท่องจำแบบตื๊ดตพื๊พเลยท่องทุกวิชาไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิธีศาสตร์ก็ท่องมันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อขึ้นมาการเรียนไม่สนุกเลยเพราะจับหลักไม่ได้ท่องมากๆก็ท้อท่องเท่าไหร่ก็ท่องก็จําไม่ได้ก็ยิ่งท้อเข้าไปใหญ่แต่ถ้าจับหลักได้ในการเรียนจะเป็นเรื่องง่ายเผลอๆสนุกสุดๆนะเพราะว่า ในสิ่งที่เรียนมานี่สามารถที่จับมันเข้าไปในกรอบที่เราที่เราคิดขึ้นมาได้การเรียนเป็นเรื่องง่ายถ้าจับหลักได้ถ้าจับไม่ได้การเรียนก็เป็นเรื่องยากฉันได้ก็ฉันนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าจับหลักได้มันก็เป็นเรื่องง่ายถ้าจับไม่ได้ แม้จะพยายามแมจะขยันแมาจ ะ, ะทำเต็มที่ยังไงก็กลายเป็นความทรมานอย่างพระโสนะพระโส น, นี่เป็นพระในสมัยพุทธกาลที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติมากเรียกว่าใจเต็มร้อยกับการปฏิบัติแต่ว่าจับหลักไม่ถูก เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะยิ่งเดินก็ยิ่งเครียดเดินจนเท้าแตกเดินไม่ได้ก็คลานเอานะทางเดินจงกรมนี่เป็นเรียกว่าแดงฉานเลยเพราะว่าเลือดไหลเดินขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุธรรมก็รู้สึกท้อมาก คิว่าชาตินี้เราคงเอาดีทางการปฏิบัติไม่ได้อยากจะศึกหาลาเพศไปเพราะ เ, เจ้านี่พอรู้ก็เสด็จมาแล้วก็อธิบายโดยประมาผินนะผินสามสายเพราะว่าพระโสนานี่แต่ก่อนนี่เคยเป็นนักดนตรีลืมบอกว่าพระโสนานี่นะเป็นคนที่เท้านี่นะเป็นพวกสุคุมารชาตนะเท้านี่เบาบาง เดินจงกรมไม่ทนเหมือนคนอื่นเดินไม่นานก็เท้าแตกเท้าแตกก็ยังไม่เลิกเดินก็เดินไม่ได้ก็คลานเอาอย่างที่ว่าผร้เจ้าก็แนะนำนะบุปมาถึงการปฏิบัติอาการถึงการเล่นดนตรีเพราะว่าประโสดานี่เคยเป็นนักดนตรีดิดพินสามสายรเจ้าก็อธิบายไว้เนี่ย สามพระสนะว่าเนี่ยพินนี่ถ้ามันขึงให้ตึงเนี่ยเล่นเพาะไหมพระสนะบอกไม่เพาะถ้าขึงหย่อนไปเพาะไหมก็ไม่เพาะจะทำไงถึงจะเพาะก็ต้องขึงให้พอดีพอดีพระเจ้าต้องการบอกพระสนะ ว, ว่าท่านวางใจไม่ถูกนท่านวางใจแบบเครียดเกินไป พอวางใจไม่ถูกวางใจเครียดเนี่ยแม้จะขยันแค่ไหนก็ไม่ได้ผลแต่พอผู้เจ้าอุปมาแบบนี้ประสบ น, น็เข้าใจแล้ววางใจให้พอดีพอดีบอกว่าไม่นานก็บรรลุธรรมก็คือขยันขยันอย่างเดียวนี่มันไม่พอนะขยันแต่วางใจไม่ถูกนะมันก็ทำให้ กลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้คือทำให้ท้อไม่อยากจะปฏิบัติแล้วอยากจะศึกษาลาเพศ็มอแต่พอวางใจให้เป็นนะวางใจพอดีพอดีก็ผลของการปฏิบัติก็บังเกิดอันนี้เราจับหลักได้พอจับหลักได้ในการปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องง่ายแต่จับหลักไม่ได้หรือเข้าใจผิดนี่ ทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลขยันอย่างเดยวะจึงไม่ก็ไม่พอนะอันนี้นี่ยเขาเรียกว่าต้องขยันแต่พอดีด้วยต้องวางใจพอดีาภาษาพระว่าวิริยะสัมมาตาคือความเพียรแต่พอดีถ้าทําด้วยความคิดจที่จะเอาจะเอาอันนี้มันก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้อันนี้คนละเรื่องกับทางสายกลางนะทางสายกลางนี้มัน มันคือมัชชิมาปฏิปทานนะแต่ว่าอันนี้ที่พระเจ้าแนะนําพระโซณานี่เน้นให้ทําความเพียรแต่พอดีความเพียรในที่นี่หมายถึงการวางใจงั้นพวกเรานี้ถ้าเราจับหลักไม่ได้จับหลักไม่ถูกนะการปฏิบัติมันก็ทําให้มันก็เนินช้าไปแล้วก็อาจจะท้อถอยได้ไ ง, ง่ายๆเพราะว่า ทำเท่าไหร่ทำเท่าไหร่มันก็เหมือนกับหัวชนกำแพงอ่ะละทำนี้ยก็เพื่อเท่านี้เอากลับครับ